ชาวบ้านคนหนึ่งเขาได้ข่าวว่ามีการรับสมัครคนตัดไม้นะแกก็เลยไปรับสมัครผัวหน้าก็ให้ขวานมาเล่มหนึ่งแล้วก็ให้แกตัดไม้ซึ่งได้กําหนดไม้เอาไว้แล้วนะมีเครื่องหม้ติดเอาไว้แล้วทุกต้นแกก็ตั้งใจตัดนะวันแรกก็ตัดต้นไม้ได้ประมาณสิบแปดต้น เจ้านายก็ชมนะว่าโอนขยันขันแข็งชายคนนี้แกก็ดีใจที่ได้รับคำชมนะเพราะมันหมายถึงเงินที่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นลุวงขึ้นแต่เช้าแกก็แบกบขวานไปแล้วก็ตัดไม้แต่ว่าทำทั้งวันก็ได้แค่สิบห้าต้นแกคิดว่าคงเป็นเพราะว่าพักผ่อนไม่พอนะ วันนั้นวันนั้นก็เลยเข้านอนแต่หัวค่ําตอนเช้าก็ก่อนพอที่ขึ้นก็รีบตื่นขึ้นมาแล้วก็ตรงเข้าไปในป่าตั้งใจว่าจะให้ตัดให้ได้สิบแปดต้นปรากฏว่าตัดได้แค่เก้าต้นนะน้อยกว่าวันที่สองสิบนะวันที่สองได้สิบห้าวันที่สามได้เก้าแกคิดว่าแกคงจะพักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยเข้านอนนะตั้งแต่โปรเพลยเลยนะ พอสว่างไม่ทันสว่างก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตรงเข้าไปในป่าอันนี้ตัดได้แค่เจ็ดต้นเท่านั้นเองไม่แม้าใจเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาก็ตัดได้น้อยลงกว่านั้นอีกนะเหลือห้าต้นยิ่งกว่านั้นวันต่อมาก็บอกว่าทั้งบ่ายตัดได้แค่ต้นเดียวตอนเช้าตัดตัดได้สองต้นแกก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะ ก็เลยไปปรึกษากับหัวหน้าหัวหน้าก็เลยถามว่าแกรับขวานครั้งสุดท้ายนีเมื่อไหร่ชายคนนั้นก็บอกว่ารับขวานเลยรับทําไมนะผมไม่มีเวลาเพราะมัวแต่ตัดต้นไม้นะคำตอบแกน่าสนใจนะไม่มีเวลารับขวานเพราะว่ามัวแต่ตัดต้นไม้จ้าแกนยะลองสละเวลาสักหน่อยนะสลการ รับคมขวานนะก็คงจะตัดต้นไม้ได้มากนะแต่แกคิดว่าที่แกตัดได้น้อยเนี่ยเพราะว่าใช้เวลาการตัดน้อยไปมองว่าการรับคมขวานจะทำให้เสียเวลาในการเลื่อยไม้แต่ว่ายิ่งใช้เวลามากสำหรับการเลื่อยไม้เท่าไหร่ก็ปกติกลับได้ไม้น้อยลงอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะสำหรับคนทำงาน หลายคนมาคิดว่าที่งานได้น้อยเพราะว่ามีเวลาทําน้อยถ้ามีเวลาทํามากก็คงจะทํางานได้มากขึ้นอย่างบางคนนะมีหน้าที่เขียนรายงานรายงานนะหลายร้อยเป็นร้อยหน้านะวันแรกก็เขียนได้สิบหน้านะวันที่สองก็เขียนได้หกเจ็ดหน้าเอง แกเข้าใจไปว่าเป็นเพราะว่าให้เวลากับการเขียนน้อยไปเพราะฉะนั้นก็เลยนอนน้อยลงจะได้มีเวลาเขียนมากขึ้นบกว่าวันที่สามก็ได้นักสี่ห้าหน้าแค่นั้นเองแกก็เลยคิดว่า ง, งั้นที่เคยนอนหกชั่วโมงก็นอนสามชั่วโมงพอจะได้มีเวลายี่สิบสองยี่สิบเอดชั่วโมงสำหรับการเขียน แต่เพราะว่ายิ่งมีเวลานอนน้อยเท่าไหร่ก็เพเขียนได้น้อยลงเท่านั้นนะแกก็ไม่เข้าใจทําไมเราอุตส่าห์ทุ่มเทเวลามากขึ้นแต่ผลงานมันกลับน้อยลงตอนหลังก็เลยไม่นอนเลยนะเรียกว่าทุ่มเทยี่บสี่ชั่วโมงเราก็คงนึกออกนะว่าพอไม่นอนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็เขียนได้แค่หน้าสองหน้าเท่านั้นแหละทั้งวันคนที่รู้ก็ถามว่าทําไมไม่นอนทําไมไม่พัก ก็บอกว่าเนี่ยจะนอนได้ไงไม่มีเวลาหรอกนะเพราะว่าฉันโมแต่เขียนรายงานถ้าหลาคนไปเข้าใจว่าการอ่าการนอนหรือการพักผ่อนนี่มันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานนะถ้ามีเวลานอนมากก็หมายความว่ามีเวลาทํางานน้อยลงแล้วเมื่อมีเวลาทํางานน้อยลงก็จะทําให้ผลงานออกมา ได้น้อยตามไปด้วยแต่จริงมันไม่ใช่นะเพราะว่าการที่ไม่นอนเลยต่างหากนะที่ทาให้การทํางานมันแย่ลงอาจจะแย่ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณก็น้อยลงด้วยการพักผ่อนหรือการนอนก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการทํางานนะถ้าเรามองให้ดีการพักผ่อนหรือการนอนเป็นส่วนของการทำงานเพราะว่าถ้าไม่นอนหรือนอนน้อย มันก็ทําให้สมองไม่แจ่มใสเมื่อสมองไม่แจ่มใสการทํางานก็ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดไม้ก็เหมือนกันนะการตัดไม้นี่การรับคมขวานเนี่ยมันก็เป็นส่วนของการทํางานแต่ว่าชายตัดไม้คนนี้แกมองว่าไอ้การรับคมขวานเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาทําให้มีเวลาตัดต้นไม้น้อยลง แต่ถ้าเกิดว่าเขานะให้เวลากับการรับความขวามากขึ้นก็จะพบว่าก็าจะใช้เวลาในการตัดต้นไม้น้อยลงแล้วก็ได้ผลงานมากขึ้นอาจจะกลับมาตัดได้สิบแปดต้นเหมือนเคยมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่เอาแต่ทำงานนะแต่ว่าเมือนกระชายทำไม้คนนี้แต่ว่ า, ม ไ, มววาไม่สนใจ ที่จะรับคมขวานเพราะเห็นว่ามันเป็นการเสียเวลาแต่การที่ไม่ยอมให้เวลากับสิ่งนี้แหละมันกลับทำใ ห, ให้การทำงานเนี่ยมีประสิท ธ, ธิภาพน้อยลงหรือว่าผลงานออกมาแย่ลงไปเรื่อยๆเคยมีมีมีคนไปสัมภาษณ์ฝรั่งคนหนึ่งซึ่งแกเป็นคนช่วยไกล่เกลี่ย ความขัดแย้งในแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ก่อนสมัยช่วงสมัยแมนเดล่าเนี่ ย, ย, ยก็ประมาณสิกบกว่าปีมาแล้วมันมีความขัดแย้งระหว่างคนหลายกลุ่มมากั้งคนดําคนขาวคนดําก็มีหลายพวกทั้งคอมมิวนิสต์นะทั้งพวกของประชาธิปไตยแบบแมนเดล่าแล้วก็พวกซูลูก็มีคนไปสัมภาษณ์นีฝรั่งคนเนี้ยนะที่แกทําหน้าที่ อ่าไกลเกลีย่ยชักชวนคนกลุ่มต่างๆให้มาคุยกันแล้วกพูว่าปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่ยอมคุยกันแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเวลาไปถามคนเหล่านี้ว่าทำไมไม่มาคุยกันก็จะได้คำตอบว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาคุยกันหรอกนะเพราะว่า พวกเราพวกเราหมายถึงว่าคนแอฟริกาใต้เนี่ยไม่มีเวลาคุยกันหรอกเพราะพวกเราเนี่ยมวัวแต่เสียเวลาแก้ปัญหาที่เกิดจากการไม่คุยกันนี่เขาพูดเป็นการพูดเป็นเชิงเนบแนมนะว่าหลายคนมองว่าการคุยกันเป็นเรื่องเสียเวลาเพราะอะไรเพราะว่าต้องเอาเวลาเนี่ยไปทุ่มเทกับการแก้ปัญหาแต่ถามว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะปัญหาเกิดจากการที่ไม่ยอมคุยกันนั่นเอง แต่ตอนลังก็คุยกันนะพอคุยกันแล้วมันก็มีเวลาก็ปัญหาก็น้อยลงหลายคนมักจะพูดว่าเนี่ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะว่ามัวแต่ทํางานแต่ถ้าลองดูไองานที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจํานวนไม่น้อยอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่จํานวนไม่น้อยเกิดจากการแก้ปัญหาปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากคนมีความเครียดมีการทะเลาะบอกแวงกันแล้วทำไมถึงเครียดทําไมทะเลาะบอกแวงกันก็เพราะ ว่าไม่มีเวลาพักใจสงบใจนะก็คล้ายๆกับชายตัดไม้คนเนี้นะที่บอกว่าไม่มีเวลารับคมขวานเพราะว่ามัวแต่ตัดต้นไม้แล้วพวกเราลองเทียบนะว่าเราเองเนี่ยเป็นเหมือนอนะคนตัดไม้คนนี้หรือเปล่านะที่ว่าทำแต่งานทำแต่งานแล้วก็บอกไม่มีเวลาที่จะพักนะ อาจจะมีเวลาพักกายแต่พักใจไม่มีเวลาเพราะว่ามัวแต่ทางานแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เวลานะกับการพักใจเราจะพบว่าเวลาทำงานอาจจะน้อยลงแต่ว่ามันทำงานได้ดีขึ้นชายตัดไม้คนนี้แกมองว่าการรับคมไม้นี่รับคมขวานเนี่ยมัน มันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหลายคนก็คิดแบบนี้นะว่าการทำสมาธิการฝึกใจหรือว่าการรับสติปัญญานี่มันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทําให้เสียเวลาแต่จริงมันมองให้ดีมันเป็นส่วนของการทำงานเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่หนุนช่วยทาให้การทำงานมีประสิทธิธภาพมากขึ้นแม้ว่าเวลาทางาน หรือเวลาที่อยู่นั่งงานอาจจะน้อยลงที่จิมก็ไม่ได้น้อยลงมากนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมการทำสมาธิมันวันหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลามากครึ่งชั่วโมงนึงชั่วโมงหรือแม้แต่สิบนาทีก็ยังดีมันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนเวลาทำงานมากแต่มันก็มีผลนะทำให้การทำงานแม้จะมีเวลาน้อยลงแต่ว่างานมีคุณภาพมากขึ้น และเพอเพคนทํางานก็มีความสุขด้วยเรียกว่างานได้ผลคนก็เป็นสุขต้องควรมองว่าสำหรับคนที่ชอบทํางานก็ควรจะมองว่าไอ้การการปฏิบัติธรรมหรือการพักใจการฝึกสตินี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานช่วยทําให้การทํางานเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วเพอเพรปริมาณก็จะดีก็จะมากขึ้นด้วยจะไปเข้าใจว่าทํางานมากอย่าไปเข้าใจว่าใช้เวลาการทํางานมากแล้ว งานจ อ, อกมาดีแล้วก็ได้ผลงานเยอะอย่างที่าชายคนที่ตัดไม้เนี่ยนะทำงานมากนะใช้เวลาในการผ่าต้นไม้ใช้เวลาในการตัดต้นไม้เยอะกว่าเดิมเยอะกว่าวันแรกนะแต่ว่ากลับได้แค่เจ็แปดต้นหรือว่าสามสี่ห้าต้นเพราะว่าขวานมันบินเมื่อขวานมันบินแล้วนะทุ่มเทยังไงมันก็ได้ผลงานน้อยลง แถมเหนื่อยกว่าเดิมด้วยการปฏิบัติทรรมการภาวนาหรือการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นการพักใจอย่างหนึง่งแล้วก็มันก็เป็นการรับนะรับคมปัญญารวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสติของเราซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานมันมีคุณภาพมากขึ้น และในเวลาดียวกันมันก็ส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวของเราด้วยพอคนเราไม่ได้มีแต่งงานนะคนเราก็มียังมีชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานหลายคนไม่สามารถจัดสมดุลในชีวิตได้ระหว่างงานกับชีวิตพอชีวิตย่าแย่นะงานก็ลอยงานก็เลยพลอยย่ําแย่ไปด้วยพองานย่ําแย่มันก็ทําให้ชีวิตนี้ก็ ย่ำแย่หรือเป็นทุกข์ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตนี่เป็นเรื่องที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยแล้วเวลาพูดถึงชีวิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะก็คือฐานใจนะฐานใจนี่มันเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ผาสุขและงานที่เกื้อกูลหรือว่าสาเร็จ ถ้าเราให้ความสําคัญกับกับเรื่องนี้นะมันก็ทําให้งานก็สําเร็จนะหรือได้ผลนะคนก็เป็นสุขด้วยอาจารย์พุทธทาสันพูดว่าเนี่ยชีวิตที่ดีนะคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์งานของเราที่เราทำเนี่ยนะปัจงานที่เป็นประโยชน์นะเราทํางานอยู่โรงพยาบาล มันก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนมากมายแต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังมันจะมีแต่ประโยชน์แต่ว่าไม่มีความสงบเย็นหลายคนทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าชีวิตส่วนตัวเป็นทุกข์จิตใจก็รุ่มร้อนนะด้วยความเครียดด้วยแรงกดดัน และหลายคนก็ไปหาทางออกด้วยการไปเที่ยวไปช็อปไปซื้อของมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อเพื่อทําให้ลดความเครียดบางทีก็ไปเที่ยวไปเล่นเพื่อลดความเครียดแต่ว่ามันก็ช่วยได้ประเดียวประดาวเผลอๆเป็นหนี้สินมากขึ้นอีกนะเพราะว่าซื้อแหลกช็อปแหลกเป็นหนี้มากมายชีวิตส่วนตัวย่ําแย่จิตใจรุ่มร้อน ทา้งนั่งที่ทํางานเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนมากมายอันนี้มันยังไม่ไม่ไม่เรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีนะก็คือว่าเป็นประโยชน์แต่ไม่สงบเย็นแต่เราสามารถจะทําได้ทั้งสองอย่างนะคือสงบเย็นด้วยเป็นประโยชน์ด้วยถ้าเป็นประโยชน์แต่ไม่สงบเย็นนะมันเรียกว่ายังไม่ครอบถ่วนสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นชีวิต ท, ที่พึงปรารถนาบางทีพวกเราหลายคนไม่ต่างจากพัดลมนะพัดลมเนี่ยมันทําความสงบเอ้ยมันทําความเย็นให้กับผู้คนแต่ตัวมันเองอะร้อนนะลองจับตลองจับตัวพัดลมดูตัวเครื่องมันดูนะมันจะร้อนมันทําความเย็นให้กับผู้คนในศาลา น, นี้แต่ตัวมันร้อน แต่เราไม่ใช่พัดลมนะเราสามารถที่จะให้ความสงบเย็นแก่ผู้คนและจิตใจของเราชื่อของเราก็สงบเย็นได้ด้วยงั้นสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นไปได้นะความสงบเย็นที่ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องอาศัยการหลีกเล้นหลีกเล่นหรือว่าการเปลี่ยนตัวมามาพักใจมาปฏิบัติธรรม อย่างที่เราทำอยู่ที่นี่ในช่วงสี่ห้าวันนี้หรือว่าเราปลีกเวลาสำหรับการมาทําความสงบให้กับจิตใจเช่นตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เติมสติเติมความรู้สึกตัวให้แก่ใจของเราตั้งแต่เช้าไม่ใช่แค่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเพื่อชําระกายนะแต่ว่าเรามีการชําระใจเพื่อให้ เกิดวความแจ่มใสเบิกบานทั้งกายและใจนะด้วยการทำสมาธิเจริญสติสวดมนต์10นาทีครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่เพื่อทีนะ่เราจะได้มีความพร้อมออกไปทำงานเหมือนกับคนผ่าฟืนหรือคนตัดไม้ที่มีเวลาสำหรับการเลื่อยการรับคมขวานแล้วถึงค่อยออกไปตัดไม้ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาใจให้สงบเย็นไปพร้อมๆกันได้เรียกว่าทำกิจไปด้วยทำจิตไปด้วยนะมันทำคู่กันไม่ได้เลยนะทำกิจแล้วก็ทำจิตทำกิจนี่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นส่วนทาจิตเนี่ยเป็นประโยชน์ตนคือทาให้เกิดความสงบเย็น สงบเย็นแเป็นประโยชน์นี่มันทำคู่กันไปได้ถ้านอาจารพุทธาเคยพูดว่าในการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการทำงานที่ประโยชน์มันเกิดขึ้นกับผู้อื่นเกิดกับส่วนรวมส่วนการปฏิบัติธรรมมันก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ตนได้ทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจมั่นคงมันทำพร้อมกันไปได้นะโดยเพราะถ้าเรารู้จักการเจริญสติเวลาทำทำงาน ใจก็อยู่ ง, งานแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยนะก็ทำได้เพื่อตอมาคนหนึ่งเป็นนักเป็นนัก บ, บวชเซนนะเป็นชาวอเมริกันเขาเคยเล่าถึงอาจารย์ของอาจารย์ของเขานะชื่อท่านชุนเรียวสุสุกิคนนี้เป็นคนสำคัญนะของวงการเซนในอเมริกาเพราะาเป็นคนที่ก่อตั้งวัดเซนแห่งแรกในอเมริกา อยู่ที่ซานฟรานซิสโกตอนที่มาบุกเบิกสร้างวัดเซนต์แห่งแรกในอเมริกาเนี่ยอาจารย์ชุนเรียกก็อายุ60แล้วแต่ว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นอเมริกันส่วนใหญ่ก็ยังหนุ่มอยู่นะยังสาวอยู่เลยอายุ20ต่ำกว่าสิทยี่สิบ 20, 20ก็มีเป็นพวกคล้ายๆกับทำนองคล้ายๆฮิปปี้นะพวกนี้เขาเป็นพวกแสวงหาทางออก ทางจิตวิญญาณปฏิเสธชีวิตแบบวัตถุนิยมก็หันมาสมาทานพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมแบบพุทธสนใจการปฏิบัติแบบเซนตอนที่สร้างวัดเซนที่นั่นใหม่ๆก็ช่วยกันทำนะทั้งอาจารย์ทั้งศิษย์วัดเซนนี่นะมันก็มีทั้งไม้แล้วก็ก้อนหินต้องทากันเองไม่มีเงินจ้าง ลูกศิษย์เนี่ยซึ่งเป็นฝรั่งตัวใหญ่ยังหนุ่มอยู่เลยนะทํางานไปได้แค่ครึ่งวันก็เหนื่อยละคนหินคนไม้ครึ่งวันก็เหนื่อยละส่วนอาจารย์นี่ทั้งทั้งแก่นะหกสิบแล้วก็ตัวเล็กแต่ว่าทําได้ทั้งวันทั้งคนหินคนไม้ลูกศิษย์ก็เลยแปลกใจว่าอาจารย์ทําได้ยังไงนะ พวกเรานี่ตัวใหญ่แล้วก็ยังหนุ่มยังสาวนี่ครึ่งวันก็เหนื่อยแต่อาจารย์ทาทั้งวันเคยถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงอาจารย์ชูแล้วก็ตอบว่าก็ผมพักทั้งวันเนี่ยนะตอบแบบเซนเลยนะผมพักทั้งวันลูกศิษย์ก็งงเอ๊ะก็อาจารย์ทำทั้งวันบอกว่าพักทั้งวันได้ยังไงจริงๆอาจารย์ตั้งใจจะบอกว่าผมพักใจนะกายทางานแต่ใจมันพัก คือระหว่างที่แบกหินแบกแบกไม้นะมันก็แบกแต่กายแต่ใจไม่ได้แบกด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยเช่นผู้รู้สิทธิเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยเวลาแบกหินแบกไม้เนี่ยมันไม่ใช่แบกแต่กายนะใจก็แบกด้วยแบกอะไรอาจจะแบกความคาดหวังว่าอยากให้เสร็จไวๆเสร็จไวๆทําไปก็บนไปเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเราจะแบกความปวดความเมื่อยของกายนะเวลาที่ ทำงานนี่นก็เปิดความเกิดทุกขเวทนานะเกิดความเหนื่อยเกิดความปวดเกิดความเมื่อยของหนักเนี่ยแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าไม่ไม่ดูใจงตัวนะใจมันก็จะเผลอแบกแบกทุกขเวทนาแบกความความปวดความเมื่อยของกายด้วยแต่อาจารย์ชลเรียนนี่ท่านปฏิบัติทำนะท่านรู้วิธีนะ การเจริญสติก็ดีการทำสมาธิของท่านก็ดีทำให้แบกแต่กายนะกายเนี่ยแบกหินแต่ใจไม่ได้แบกอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยท่านถึงบอกว่าผมพักทั้งวันคือใจไม่ได้แบกอะไรเลยอันนี้แรียกว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไปพร้อมกันนะงานก็งานก็ทำเป็นประโยชน์ใจก็สงบนะไม่ได้เหนือ่อยไม่ได้เครียดมันทำได้นะ การทําจิตกับการทํากิจเนี่ยทาไปพร้อมกันได้พวกเราทํางานที่โรงพยาบาลหรือทํางานที่ไหนในฐานที่เราทํากิจเพื่อประโยชน์ของอส่วนรวมของผู้คนที่ทุกข์ยากเราก็ทําจิตไปด้วยนะคือใจเราไม่ได้ใจเราไม่ได้ทุกข์นะใจเราไม่ได้เครียดรู้จักปล่อยรู้จักวางอย่างที่พูดไว้เมื่อวานยนะิงอยู่นะเวลาเราทํางานเนี่ยมันก็มีเรื่องมากระทบ กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางลิ้นไม่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่มันกระทบทางตากับทางหูแล้วก็ทางใจนะคำพูดกิริยาท่าทางของคนไข้ของญาติของเพื่อนร่วมงานของเจ้านายแต่อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าไม่มีอะไรไม่มีใครหรือไม่มีอะไรมาทําให้เราทุกได้หากใจเราไม่ร่วมมือหรือไม่ยินยอม คำพูดของญาติการปฏิบัติตัวของเพื่อนร่วมงานของเจ้านายไม่สามารถจะทำความทุกข์ให้กับเราได้ถ้าหากว่าเราไม่ยินยอมหรือใจเราไม่เปิดทางให้ความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาเล่นงานจิตใจถ้าทำไมใจเรายินยอมหรือเปิดทางให้ความทุกข์เข้ามาหรือทำให้ คำพูดหรือการกระทําเหล่านั้นเนี่ยกลายมาเป็นตัวทิมแทงจิตใจของเราก็าพอใจเรายินยอมใจเรายินยอมเพ่อะอะไรใจเราเปิดทางให้เพราะอะไรก็เพราะไม่มีสติเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเท่านั้นสําคัญกว่านั้นคือปัจจัยภายในปัจจัยภายในคือใจนั่นแหละใจของเรานั่นแหละที่ไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่าออ่ ไปยึดเอาสิ่งต่างๆไปเปิดทางให้สิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอกนี้มาบีบคัน้นแรงงานจิตใจไปเจอหินก็แบกหินเอาไว้ไปเจอฐานก็กำฐานเอาไว้ไปเจอน้ําไปเจอมีดโกนหรือว่าเศษแก้วก็กำมันเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือบางทีแส่เข้าไปหาด้วย มีเกตเล่านะเกี่ยวกับหลวงปูบงป่บุตรดาหลวงปู่บุตดาท่านมรณาภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่มรณาภาพก็อายุ101ปีก็มีเกตตอนหนึ่งว่าท่านได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปไปฉันเพนในกรุงเทพท่านฉันเพนเสร็จก็โยงก็นิ ม, มนต์ให้ท่านพักสักหน่อยก่อนที่จะกลับไปสิงห์บุรีนะว่าท่านอยู่สิงห์บุรีก็จัดห้องให้ท่านพักเอน จาวัดสั ก, ส, กสักช่วงหนึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาสามสี่คนมานั่งเป็นเพื่อนหลวงพ่อท่านก็หลวงปู่ท่านก็เอหลังหลับตาลูกศิษย์ลูกหาก็เวลาจะคุยกันก็กระซิบกระซาบไม่อยากรบกวนหลวงปู่แต่เบิร์ห้องข้างๆเนี่ยมันเป็นห้องแถวเจ้าของเนี่ยเป็นอาซิมอาซิมคนจีนสมัยก่อนก็สวมสวมเกี้ย เวลาเดินขึ้นลงบันไดเสียงเกี้ยมมันก็ดังดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่บุดาจําวัดลูกศิษย์ก็เลยพูดบ่นขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยนะไม่เกรงใจกันบ้างหลวงปู่ท่านหลับตาอยู่างท่านไม่ได้หลับด้วยท่านได้ยินเสียงของลูกศิษย์ท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกี้ยมเอาเองน ทุกพ่ออะไรทุกเพ่อเอาหูไปลองเกี้ยนะเสียงเกี้ยเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่เอาหูไปลองเกียนะอันนี้แหละที่คือความหมายที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีใครทําให้เราทุกได้ถ้าหากว่าใจเราไม่ร่วมมือด้วยนะใจที่ไม่มีสตินเนี่ยมันพร้อมที่จะร่วมมือเอาเสียงเกี้ยมาทิ่มแทงใจหรือว่าทําให้หูไปลองเสียงเกี้ยนั้นเอาหูไปลองเกียนะ ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้ถ้าหากว่าเราไม่ร่วมมือไม่ยินยอมพร้อมใจไม่เปิดทางหรืออนุญาตให้ให้เขามาเอาความสุขจากเราไปหรือยัดเยีดยดความทุกข์ให้กับเราถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเรานะมีสตนะิฝึกจิตเอาไว้ดีใจก็จะไม่ไปหาเรื่องไม่ไปคว้าอะไรม่ ง, ง่ายๆไม่เอาหูไปรองเกี้ยไม่ไป เอาคำด่าว่าของเขามาทิมแทงใจจะไม่แบกอะไรต่ออะไรมากมายที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนในใจความสงบเย็นเนี่ยมันไม่ไม่ได้แปลว่าจะต้องหลีกเล่นมาอยู่ป่าหรือว่าเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์หรือห้องพระนะความสงบเย็นสามารถจะเกิดขึ้นได้ท่ามกลางผู้คนในระหว่างการทำงาน เราทํางานดูแลผู้ป่วยนะเดี๋ยวยาผู้ป่วยเตียงก็เยอะเสียงก็ดังแต่ว่าใจเราก็สงบไดนะ้เพราะว่าเรามีสติเป็นเครื่องรักษามีสติช่วยทําให้เราปล่อยให้เราวางไม่ไปเอาหูไปรองเสียงต่างๆที่ทําให้เกิดความรุ่มร้อนใจ เกิดโทสะเกิดความเครียดเกิดความหุดหงีดขึ้นมาจริงอยู่มันทำยากนะแต่ว่ามันทำได้แล้วก็สามารถที่จะพวกเราเนี่ยอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระอย่างหลวงปู่บุตรดานะหรือว่าต้องเป็นอาจารย์เซนอย่างท่านชุนเรอสุสุกนะิเราทำไดนะ้ถ้าเราให้เวลานะกับการฝึกให้เวลา ก, การปฏิบัติ ถึงแม้ว่า ง, งานเราจะเยอะนะแล้วเรามีนายโน้นมที่บอกว่าฉันไม่มีเวลาหรอกนะอันนี้ก็ไม่ต่างจากคนอคนตัดต้นไม้นะที่บอกว่าไม่มีเวลาลับคมขวานเพราะว่ามัวแต่ตัดต้นไม้นะให้ลองให้ถือว่าการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานนะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่นั้นนะ มันเป็นส่วนสําคัญของชีวิตด้วยถ้าเราต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานการเจริญสติสําคัญมากถ้าเราต้องการทั้งความสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะสติสําคัญมากและถ้าเราเจริญสติเป็นระหว่างทํางานระหว่างการทํากิจการบรรเป็นประโยชน์มันก็จะส่งผลมาเป็นการช่วยทําให้ใจสงบเย็นไปได้เหมือนกัน หมายความว่าไม่เพียงแต่ว่าเราทํากิจและทําจิตไปพร้อมๆกันก็คือใจสงบเย็นแล้วก็ทําตนให้เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าเราทําดีๆวางใจดีๆไอการการทํางานนั่นแหละก็สามารถจะมีส่วนทําให้ใจเราสงบหรือทําให้มันช่วยลดช่วยเป็นการฝึกใจของเราได้ด้วยนะเช่นช่วยลดอัดตราของเรา ช่วยทำให้เราเกิดความเกิดความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นการทำประโยชน์ท่านมันสามารถจะเป็นประโยชน์ตนได้ในเวลาเดียวกันมันไม่ได้ขัดแย้งกันในด้านหนึ่งเราทำประโยชน์ตนเพื่อได้มีมีฐานใจหรือมีกำลังในการที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์อันนี้เรียกว่าประโยชน์ตนเป็นการบนุนเสริมประโยชน์ท่านาเช่นการปฏิบัติธรรมการเจริญสติมันก็ช่วยหนุนเสริมการทำงานของเราแต่ในรายเดียวกันการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็สามารถจะส่งผลเป็นประโยชน์ตนได้มีพียงคนหนึ่งแกติดเชื้อ HIV จากสา ม, มีตั้งแต่ยังสาวแทนที่แกจะโกรธสา ม, มีแกก็ ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะก็ดูแลสามีจนกระทั่งเสียชีวิตพอแกเป็นไม้แกก็นึกถึงผู้หญิงที่ประสบชะตากรรมเดียวกับแกคือหญิงติดเชื้อก็เลยไปเป็นอาส า, าสมัครช่วยเหลือผู้หญิงที่ติดเชื้อในภาคเหนือบ้านเดียวกับของบ้านเดียวกับเธอตอนหลังก็ขยายงานนะไปช่วยเหลือเป็นวิทยากรให้กับ นักเรียนมัธยมเพื่อได้ไต้รู้วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยรู้อันตรายของเชื้อ HIV จากการเป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง HIV ก็ไปยเป็นวิทยากรแนะนำเรื่องการศึกษาเพื่อเด็กเนี่ยมีมีพัฒนาการทางทางการศึกษาะจะได้จบไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปขายตัวหรือไปเป็นก ร, รมกรในกรุงเทพซึ่งจะเป็นโอกาสทาให้ติดเชื้อ งานเธอขยายตอนหลังกกลายเป็นเรื่องททนที่จะเป็นการส่งเสริมการศึกษากลายเป็นการพัฒนาชุมชนเรียว่างานก็ขยายวงไปเรื่อยๆแล้วก็ความรับผิด ช, ชอบก็มีมากขึ้นเรื่อยๆพบอกว่าผ่านไปยี่สิปีเธอก็ยังมีสุขภาพดีนะไม่ป่วยไม่ไข้เพราะเชื้อชัยวีท่านักที่ไม่ได้กินยาต้านเชื้อเลยแล้วมีคนถามเธอว่า พี่ทำงานมากๆวันนี้พี่ไม่กลัวป่วยเลยเพราะพี่ก็มีเชื้ออยู่เธอตอบดีเธอตอบว่าถ้าถ้าพี่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยพี่ป่วยไปนานแล้วนะให้การที่เธอทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะมันก็ส่งผลทําให้สุขภาพเธอดีขึ้นอาจจะเริ่มต้นจากสุขภาพใจก่อนคือเธอช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเธอก็มีความสุขพอเธอมีความสุขแล้วเนี่ยก็คงมีส่วนทําให้ ให้ผมต้านทานในร่างกายเธอมันดีขึ้นทําให้เชื้อนี่ไม่ไม่ลุกลามขยายตัวไม่ได้กินยาต้านเชื้อแต่ว่าเธอก็มีสุขภาพดีอันนี้ก็เรียกว่าประโยชน์ท่านก็มาส่งเสริมประโยชน์ตนนะส่วนการทําประโยชน์ตนนะเช่นการทําสมาธิการเจริญภาวนาเนี่ยก็สามารถจะส่งผลหนุนเสริมประโยชน์ท่านได้คือหนุนเสริมการทํางานที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ การที่ประโยชน์ท่านเนี่ยหรือการทํางานจะมาส่งเสริมประโยชน์ตนมันก็ขึ้นอยู่การวางใจนะถ้าวางใจเป็นก็จะไม่เครียดนะจะไม่ทุกข์มันจะ ม, จะมีจะมีแต่ความความยินดีนะมีความสุขนะที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะคิดว่าเออเขาเดือดร้อนมากกว่าเรานะเราช่วยเขาเราก็ปล่อยมีความสุขที่เขาที่เห็นเขานะ มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าวางใจไม่เป็นนะทำมากๆก็เครียดนะทำมากๆก็เครียดแต่ถ้าวางใจเป็นนะการทำมากนี้ก็ช่วยทำให้ตัวเนี้ยมีความสุขได้อนะปั้หาเรื่องการทำการสร้างความสงบเย็นนะควบคู่ไปกับการบำเพ็ญประโยชน์นะ มันเป็นสิ่งที่ทำได้นะแล้วก็สมควรทำด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะช่วยทำให้เกิดทั้งความสงบเย็นเป็นประโยชน์ได้ก็คือเรื่องการวางใจให้ดีให้ถูกต้องการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยมันจะเป็นกุญแจสำคัญทีเดียวนะในการทำให้เกิดทั้งชีวิตที่สงบเย็นและการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นเอาคำนี้ก็เพกันเท่านี้นะอ่กราบพระ